ธรมสรรนิมกชามิสังขังสรร ความเดิมตอนที่แล้วพระจบาวิีทั้งหา้าตามทีความตั้งใจว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพวกตนจะไม่ลุกต้อนรับไม่หว้ไม่รับบาตรไม่ปูละอาสนะให้ประทับนั่งแต่พอพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงจริงๆทุกคนก็ลืมสิ่งที่ตั้งใจไว้าตามพากาันลุกต้อนรับหว้ปูละอาสนะและตัก น, นำ้ำชําระพระบาทรให้แต่ในใจยังหลังเลเสืส่อมศรัทธา พระเตบริ ม, มิชฉาทิฏิพระพุทธองค์ต้องมีพุทธนรมดัราสถึงสครั้งจึงสงบนิ่งยอมรับ ก, กันได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดสินพระไทยจะประกาศพระถมเทศสนาว่าด้วยพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเทพีดาบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้าต่างรีบมาเฝ้าเพื่อสดับพระพุทธธรรมในทันใดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจา้มามหาบุรุษแห่งชงพุทวิบตอนที่สามสิบอันเป็นตอนอวสานของภาคที่น่งได้นับัน เท <Hey, S 2> พยดาทั้งหลายเรามาได้ทันฟังพุทธบัญญายพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรหรือเปล่านี้ท่านสิท่นทานเท้ามหาพรหมนั่นยังไงพระพุทธองค์ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์กลางป่าอีสิ ป, ปัตนามฤคทายวันแวดล้อมด้วยปัญจวัคคีทั้งห้าที่นุ่งหมเหมือนสมณะแต่ยังไว้ผมและหนวดเคราจึงดูราวดาบทหรโยคีมากกว่า ส่วนบนท้องฟ้าก็าลาคลาข่ำไปด้วยเหล่าเทพพยายดาจากสูงสวรรค์จนแทบจะไม่มีที่ว่างต่างถือประทีปเพื่อบูชาพระบร ม, มศาสดาเรียงรายกันไปเหมือนดวงดาวที่ลอยต่ำลงมาและยิบระยบงามจัดตาจริงๆยิงสมเด็จพระบรมศาสดาในเวลานี้ทรงมีพระพักอันพิสุทธิ์ข่องใสพร้อมที่จะแสดงปฐมเทศนาต่อบรรดวิีและเหล่าเทพพ ย, ยดา ที่ปรวารณาตนเป็นศิษย์ทั้งหลายทรงเป็นบรมครูครูเหนือครูและมากล้นด้วยพระบารมีเกินจักหาถ้อยคำมาพร่ำบรรยายจงน้อมจิตก้มเสียงลงรับพระธรรมเทศนากันเถิดพวกท่าน พวกท่านทั้งหลายเราตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมริกทายวันใกล้นครพารณสีเป็นธรรมจักที่สมณนะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ดูก่อนพวกท่านทั้งหลาย มีทางอัลลามกสองทางที่ภิกษุอย่าพึงซ่องเสษทางหนึ่งคือกามสุขคันลิกานุโยคหมายถึงการประกอบตนครัวพันในกามคือความปรารถนาในเบญจา ก, กามคุณทั้งห้าอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจัดเป็นกิเลสกามหนึ่ง และวัตถุกรามอันได้แก่ความปรารถนาในสัพพวัตถุอันมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณดังนี้เรียกว่ากรมสุขันลิกานุโยกส่วนทางลามกอีกทางหนึ่งก็คืออัตตกิรัมฐานุโยกหมายถึงการประกอบตนให้ลำบากเปล่านั่นคือการทรมานตนอย่างเผ็ดร้อนนั่นเอง เช่นการบริโภคแต่ของดิบบ้างไม่บริโภคหรืออดอาหารบ้างไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าเป็นชีเปลือยบ้างผิงไฟและแดดในฤดูร้อนแช่น้ำในฤดูหนาวนอนนั่งหรือเดินบนขวาน้นากระทำกายให้เศร้าหมองด้วยละอองฝุ่นและทุรีต่างๆซึ่งตถาคต ก็เคยทำมาแล้วนับว่าเสียเวลาเปล่าดังนี้เรียกว่าอัตกิระมัฐานุโย สันทางที่อาจตรัสรูบรรลุธรรมอันวิเศษนั่นคือพระอมตะมห า, านิพพานนั่นคือการดำเนินในมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งทำให้ตาคตเกิดปัญญารู้แจ้งในอริยสัจสี่อันได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมัตทุกขอริยสัจคือทุกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาติทุก์ชราทุกพยาธิทุก์มรณะทุกสโสกทุก์และทุกอันเกิดจากได้พบคนที่เป็นเวณเป็นศัตรูทุกที่เกิดจากการพัดพรากจากคนที่รักทุกข์เมื่อไม่ได้สมปรารถนาเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าทุกขร r ยศัต a ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาอันเป็นความทยานอยากอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ ท, ทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับทุกข ดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเป็นภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์จะเกิดขึ้นได้หมายถึงพระนิพพานและอริยมรรคอันมีองค์8คือข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจา เจรจาชอบสัมมากรัมรมันตะทำการชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียนชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบด้วยเหตุนี้ปัญจวคีทั้งหลาย พวกเธอพึงปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับแห่งทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เธอััสา ขนาดนี้แล้วพวกที่อยู่ในเมืองผู้ที่อยู่ในวงังจะรู้เรื่องกันบ้างไหมเนี่ย หลานอยู่ที่ไหนหลานย่าอยู่ไหนหอมฉันอยู่กับเสด็จแม่พระเจ้าค่ะถวายของของเสด็จพระเออเทุกคนตามสบายขอประทานเลยค่ะที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่เสด็จพระราชดมเนรมาที่ตำแหนักของหม่อมฉันคงเกี่ยวพันกับปรากฏการแผ่นดินไหวที่เพิ่งวังเกิดในเวลานี้ใช่ไหมเพคะถูกแล้วลาพิมพ์พาแม่กับเสด็จพ่อรู้สึกเป็นห่วงเจ้าแล้วก็หลานลาหุ่น ก็เลยอดชวนกันมาดูไม่ได้เป็นพากรณาไปคะในเหตุผลลินไหวในครั้งนี้หม่อมฉันไม่รู้สึกว่าน่าจะมีอาเพศอันใดไปคะออูไม่รู้สึกรอู้กันหมดแล้วนะเออ้อลหดตื่นเต้แต่ไม่ตกใจพระเจ้าค่ะเสด็จปู้หน้ารักจริงๆหลานย่าล้วเรื่องทรงกล้าหารกล้าหายเหมือนใครไปคะเมื่อเสด็จพ่อสิทธาถากพี่รัศมี แต่ข้าไม่เคยเห็นเสด็จพ่อสักทออีแม่ว่าเราอยู่พูดเรื่องนี้กันเลยนะราหุลก็ลูกอยากทบเสด็จพ่อนี่นะเรียกป่าอยู่ดีไม่มาดีตาหาเรื่องจริงแม่รัศมีไม่ได้ตั้งใจนะ่ะพี่แกศรีออราหุลมากับเสด็จปู่และย่าทางนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งกวนเสด็จแม่ของหลานเลยนะไม่ว่าคืนนี้เจ้าอยากจะนอนกับปุญก็ได้นะพะเจ้าคะ่ะ หม่อมช้างขอประธานอภัยนะคะพระชายาไม่เป็นไรรัศมีเพียงแต่ต่อไปนี้หากใครเอ่ยนามเสด็จพี่ขึ้นมาก็าต้องหาคำตอบให้กับราหุลให้ได้เข้าใจไหมรัศมีเกสณนีเข้าใจ <ไป S 2> พี่คะ พวกข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกแปลกใจจริงไม่เห็นจะแปลกตรงไหนนี่หนาะ <c oughs> เมื่อพระประหลศาสดาประกาศพระธรรมจักรแผ่นดินย่อมไหวสั่นสะเทือนสั่นสะท้านเป็นธรรมดาท่านเข้าใจผิดแล้วท้าวโกวสีตัวข้าพเจ้าไม่ได้แปลกใจในเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอันใดที่พวกท่านทั้งหลายแปลกใจกันอีกก็แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงสนั่นวันไหวไปถึงชั้นพมบาโลกจนแม้แต่เทพพดายังตกใจ แต่เหตุใดเหล่บาบรรจวคีทั้งห้ากับนั่งสงบนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนี้ท่านท้าวมหาพรมช่วยวิสชนาให้พวกข้าพเจ้าฟังดีเถอดเจ้าข่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะท่านสังเกตให้ดีก็จะรู้ว่าเหล่บาบรรจวคีทั้งห้าต้องมันเกิดปฏิสุขในดวงจิตเพราะความสงบในสมาธิญาณโดยเฉพาะกุลธัญญาที่มีความโปร่งใสเหมือนได้โสดาปฏิผลจนมาเกิดดวงตา ตี่พระบรมศาสดาแสดงปฐุมภิษณาเหมือนดอปลรายแหลมอันคุมพลิบพิมพ์แทงทะลุเข้าไปในปัญญาอันเคยเมื่อมิของพาโกนทัญยักษจนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลรู้ว่มีความดับไปเป็นธรรมดาอัญญาสิวัตะโภโกลทันโย โกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนทั ญ, ญะรู้แล้วหนอขอดีใจข้าแต่พระบรมศาสด า, า, า, าพระเป็นบรมครูข้าพระบาทขอน้อมถวายชีวิตเป็นสาวกบริวารในพระพุทรุษนาแห่งพระองค์พระเจา้าดูก่อนโกนทั ญ, ญะบัดนี้เธอได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาปติพยาณ เป็นพระโสดาบันอันเธอจักข้ามพ้นสังสารวัตรในเบื้องหน้าไม่ย้อนกลับกุตุชนอีก ต, ต่อไปอัญญากลธัญญะเธอจงมาเป็นภิกษุสาวกบริวารแห่งตถาคตทำอันตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด คลันซ่มพระกะแสพระพุทธานุภาพบรรพชาอุปสมบทโกฏธัญญาพรามด้วยวิธีเอหิพิคุอุปสัมปทาทั้งหมื่นโลกธาตุก็สังไวเพราะการมาเกิดขึ้นแห่งพระรัตนาไัยบนพื้นพิพพในวันอาสาหาบุ ร, รณมนีเพ็ญเดือนแปดมีพระปฐมสาวก ร, รูปแรกแห่งบวรพระพุทธศาสนามีนามว่าพระัญญาโกฏิัญญ บูธังสรนังก छ ชามิธรรมังสรนังกาชามิสังฆังสรนังกามิ คลสิบวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปวัปปะพรามก็บรรลุพระโสดาปติพนญาณบังเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงออกบรรพชาด้วยเอหิพิคุอุปสัมปทาเป็นพระพิสุทธิสงแห่งบวรพระพุทธศาสนาคลันสิบวรนแรมสองค่ำเดือนแปดพัทธิยะพรามก็บรรลุพระโสดาปติพนญาณบังเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงออกบรรพชาด้วยเอหิภิคุอุปสัมปทา เป็นพระภิสุสธิ์สงแห่งบรวรพระพุทธศาสนาคลั่นสิ้นวันแรมสามค่ำเดือนแปมหานามาพาปราบก็บรรลุพระโสดาปฏิปน ญ, ญาณเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรจึงออกบรรพชา ด, ด้วยอิมพิคุอุปสัมปทาเป็นพระภิสุสธิ์สงแห่งบรวรพระพุทธศาสนาคลั่นสิ้นวันแรมสี่ค่ำเดือนแปดอัศจรรย์ก็บรรลุพระโสดาปฏิปน ญ, ญาณ บ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงออกบรรพชาด้วยเอภิคุอุปสัมปทาเป็นพระพิสสงฆ์แห่งบวลพระพุทธศาสนา ก่อนภิกษุทั้งหลายราตรีนี้เป็นคืนแรมห้าข้ามเดือน8เราตถาคตจักแสดงอนัตตลักขณะสูตรแก่พวกท่านอันเบนจะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพวกท่านสำคัญเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท้าวจ้า่เมื่อไม่เที่ยง จึงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขละ่ะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราทุกสิ่งคือความว่างเปล่าไม่หลดมั่นถือมัน่นจึงเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำนัดเพราะสิ้นกำนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อพ้นแล้วย่อมสิ้นชาติ สิ้นภพปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อพระผู้มีพระพาเจ้าได้ตรัสอนอันตราชาสูตรนี้แล้วกิจของพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลายได้บนจากอสวะเพราะไม่เทมันจึงเข้าถึงความเป็นพระอราหันต์และครั้งนั้นก็ได้บัรเกิดพระอราหันต์ขึ้นในโลกหกมงรวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพท่านได้ติดตามรับฟังละครพยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวีดจนจบครบสามสิบตอนในภาคแรกนับตั้งแต่ประสูติเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจนถึงปฐมเทศนาและบังเกิดพระรัตนไตร ครบองค์ขึ้นในโลกหากท่านต้องการเป็นเจ้าของดีวีดีบันทึกเสียงละครวิทยุชุดนี้หรือต้องการให้มีการแสดงละครวิทยุเรื่องนี้ในภาคที่สองและภาคที่สจนถึงปรินิพานต่อไปโปรดส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นสั่งซื้อหรือบริจาคเป็นทุนอุปถรัรมภ์ในการผลิตโดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายมาเป็นทุนในการผลิตออกอากาศ และมอบให้กับวัดโรงเรียนที่สนใจโดยมิได้หวังผลกำไรแต่ประการใดโปรดติดต่อมาที่กระผมในสัจพน์ศรีหะเมธีบ้านเลขที่33ทับ4หมู่บ้านรีสอร์ทตาซอยวัชรพลถนนรามอินทราแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพหรือเบอร์โทรศัพท์ 02-949 8080029498080 80, 80 80, หรือเบอร์มือถือ0859055524 0859055524ขอให้บวรพุทธศาสนาอยู่คู่พุทธศาสนิกชนตลอดไปและขอความสุขสวัสดี ตรงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดการระนานสวัสดีครับรายนานผู้แสดงสัจพฤศรีหเมธี ปันรัสพนเกียรติบุรชน ส, นสันศรีสริยาพร์บรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียรธานิดศรีสินรัตน์เกณินิตรึงศรีสุพิสราพัฒ์เจริญพิทยารักสุธิพัฒน์ อ, อ่นปรางจรุพัฒน์เสวตรัตน์โชติกาสเสวตรัตน์อ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนบุญญาบรทึกเสียงบรการเจริญดีกำกับการแสดงสัจพุธศีหามีีอำนวยการผลิต